สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเรากลับมาพบกับรายการสันสนีสนทนาและรายละเอียดที่เป็นพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอดกันอีกนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 แล้วก็วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมประเกียตค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะดิฉันจะให้ท่านฟังได้พบกับ พระมาร์ชชาคาวโรซึ่งท่านนำปฏิบัติเป็นประจำอยู่ทุกวันในตอนต้นของรายการนะคะน้อมสักการกัะท่านค ะ, จะเจริญพรค่ะเราว่าด้วยอาณาปานาสติมาสีวันเต็มๆวันนี้ยังเป็นเรื่องอาณาปานาสติไหมคะใช่ก็จะทบทวน <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดถึงเรื่องการจเจริญอาณ า, า, าปานาสติให้ครบทุกทุกส่วนอีกครั้งหนึ่งอ๋อคือเต็มเต็มประสูติแล้วก็จะได้จําได้ขึ้นใจกันค่ะท่านก็นินมนต์พระอาจารย์เลยค่ะวันนี้เราก็มา ปฏิบัติทำความเพียรอีกครั้งหนึ่งก็จะอ่านพระสูตรเรื่องอานาปานาสติให้ฟังอีกครั้งแล้วก็ใครที่พร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระ อ, อนนนไว้ว่า อ, อ, นนอานนนอาณาปานาสติเป็นอย่างไรเล่าอา น, นุนภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตาม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 ทำการศึกษาว่าเราตามเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าตามเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกทำการศึกษาว่าเราตามเห็นความจางคลายหายใจเข้าตามเห็นความจางคลายหายใจออกทำการศึกษาว่าเราตามเห็นความดับไม่เหลือหายใจเข้าตามเห็นความดับไม่เหลือ หายใจออกทำการศึกษาว่าเราตามเห็นความสลัดคืนหายใจเข้าตามเห็นความสลัดคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอานาปานาสติพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสันเสริญการที่เรามาเจริญอานาปานาสติแม้ช่วงเวลาอันสั้นก็ยังมีผลใหญ่ซึ่งท่านได้ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเจริญอาณาปานาสติแม้ชั่วเวลาเพียงลัดนิ้วมือภิกษุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินธบทของชาวแว่นแคว้นเปล่าก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงผู้กระทำให้มากซึ่งอาณาปานาสตินั้นเล่านะวันนี้เราก็ จเจริญอาณาปานาสติมาเป็นเวลา6นาทีซึ่งเป็นเวลาที่มากกว่าชั่วลัดนิ้วมือเพราะฉะนั้นก็มีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่สำหรับวันนี้ก็สมควรแค่เวลาแล้วก็ค่อยๆ อ, ออกจากสมาธิผ่อนคลายอิริยบทแล้วก็มาปฏิบัติกันใหม่ในวันจันรหน้าในมรการขอบพระคุณค่ะท่านฟังคะนั่นคือพระมากชาคาวโรวัฒนาป่พงลำลูกกาคลองสิทธ์นะคะ สำหรับอาณาปานสตินั้นเป็นวิหรารธรรมเครื่องอยู่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงพร่ำสอนกำชับกับทั้งภิกษุและบุคคลทั่วไปตลอดจนบอกรายละเอียดแจกแจงอนิสงฆ์ไว้มากที่สุดเมื่อเทียบกับมรรควิธีอื่นๆค่ะเรากำลังแจกหนังสือที่รวบรวมพระสูตรโดยพระตถาคตเพื่อที่จะให้ทุกท่านที่สนใจจะปฏิบัติหรือปฏิบัติไปแล้วนได้รู้ว่าที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้นั้นเป็นอย่างไรนะคะ ผู้ที่จัดทำหนังสือนี้ก็บอกว่าการทำหนังสือเนี่ยยากที่ยากไม่ใช่เงื่อนไขด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์เงินทุนบุคลากรแต่ยากเป็นเพราะว่าเพราะพระพุทธองค์สอนไว้มากอนาปนาสติเนี่ยถูกนำมาบอกสอนกันมากแต่เป็นการปนเปื้อนด้วยคำของสาวกด้วยความเป็นห่วงนะคะที่อยากจะให้ผู้ ที่ต้องการศึกษาจริงๆได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปตั้งแต่แรกก็จึงมีการรวบรวมเรียบเรียงหนังสือนี้กันขึ้นมาตลอดจนเป็นประโยชน์กับผู้ที่ฝึกปฏิบัติไปแล้วก็จะได้รู้ว่าที่พระพุทธองค์สอนนั้นเป็นอย่างไรสนใจอยากได้พุทธวัจนะอาณาปานสติโดยพระตถาคตเล่มนี้เนี่ยนะคะเราแจกให้วันละหนึ่งเล่มเท่ากับว่าสัปดาห์ละ5เล่มเชิญติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 2 6 9 0 0เกรายการสันสนีสนทนาที่ FM106 นี้นะคะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวไปพบกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนคะ่ะ